ทำนาอยู่ข้างแม่น้าโลหินีะ่แต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะต่างคนก็ต่างทมเพราะสมัยนั้นเรื่องพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญครๆว่าพระเจ้าแผ่นดินใส่ใจในการทานาถ้าว่าข้าวในนาไม่พอกินแปลว่าจนถึงอย่างไงยังไ ง, ง, ไงก็ต้องมีข้าวน้ำเลี้ยงประสกในก่อน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 แตก่กั้นน้ำขึ้นมาแต่น้ำปลไอลบาทั้งสองข้างแต่พอทำไปแล้วแต่น้ำกำลังกำลังตั้งท้องกำลังจะออกรวงใครใครก็ต้องการน้ำพอดีบ้านน้ำฝนมันก็แห้งทางในทางสักกยะก็บอกว่าเอาเถอะข้าขอเพียงครั้งเดียว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 ไม่ต้องเอาอีกพอน้าข้าวมันตั้งท้องแล้วต่างคนก็ต่างอยากจะได้ครั้งเดียวเหมือนกันแต่นี่ก็เอาไม่ยอมพอไม่ยอมมันจะเอาอย่างไงกันไอ้ทางนู้นกันดูถูกทางนี้อพวกขี้คอกพวกอะก็ด่ากันแหละแต่ไอ้พวกเสนาอมามมัดพวกรักษาน้าต่างคนก็ต่างปาหมาดดูถูกถึงโคตรถึงตระกูลของกัน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 มีแต่ข่ า, ขานะเนี่ยแม่นแต่มืองทางนูงเขาก็มีเขี้ยวมีเล็บเหมือนกันต่างคนต่างมีเขี้ยวมีเล็บอถึงจะสู้ศึกสงครามไปกันนะัอ้อต้องล้มหายตายไม่รู้เท่าไหร่แต่ทั้งสองฝากฝากังทั้งสองข้างไม่ใช่เ่อตัวเองจะชนะแล้วจะไม่ตายสักคนมันไม่จิดไม่เป็นอย่างนั้นต่างคนก็ต่างสาดน้ําใส่กัน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 เพราะชายทั้งหลายกันนึ่ถืออ้าไปก็ไป อ, อุบลีกับไปพอท่านมีมีอุปนิสัยพอไปเสร็จแล้วไปกราบพระพุทธเจ้ามีเทวทัตด้วยนะบวชคราวนี้มีพระอา น, นุนพระอนนรุทะมีเชื่อพระวงาจากนั้นไปบวชพอบวชพอจะบวชเอพวกเราเป็นกษัตริย์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 พระกุมารรัชกาปะบ้างเรื่องอะไรที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในยุคนั้นเอาอุปเลยไปชำระคดีความพระอุปเลยก็ไปนั่งเป็นประธา น, นเรียกโจทและจำเลยเข้ามาถามไทยอพอถามไทยเสร็จแล้วก็โดยมากจนต่อเหตุผลทั้งหมดพระอุปเลีก็ตัดสินใจ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 มันหมดไปแล้วเนะี่ยเราจะเอาน้ําที่ไหนมาอยู่กินกินน้ําทะเลไม่ไม่ใช่ของง่ายๆนะท่านนี่ใช้น้ําทะเลกินน้ําทะเลนะไม่ใช่ของง่ายเพราะนั้นเรื่องน้ําปีนี้น่าห่วงนะหลวงพ่อว่านนะแต่หลวงพ่อจะอยู่ในป่าคิดมากก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ฟังๆดูแล้วก็ อ, อน้ำพิศกท่าฝนขนาดเพียงขนาดนี้นะโผดปีนี่นะมันกว่าทุก เงินเสียจะมันอีกสักต่อ น, นี้ไปอีกสักวันสองสามวันเทลงม า, าถ้าหลวงพอ่อนั้นหลวงพ่อจะขึ้นไปคุยกับพญาแถนดูวะพญาแถนเอ้ยขอฝนด้วยเถิดเออมันไม่ไหวเลยเาตายแน่ๆแล้วโลกเนี่ยถ้าพญาแถนไม่ไม่ช่วยนะพญาแถนอาจจะเห็นใจนะ หลวงพ่อว่านะเอารับพรนะ